ขอโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจในการที่มาสดับพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันในครั้งนี้เออในการศึกษาคําสอนของพระบรมศาสดาโดยเฉพาะในเรื่องของสัมภารวิบากพะพูดถึงในเรื่องของสัมภารวิบากนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันยาวนานเราท่านทั้งหลายที่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดากันมาอย่างยาวไกลนะ ถ้าพูดถึงในปัจจุบันภะพนี้หลายท่านก็ศึกษามานานถ้าพูดถึงในอดีตสังสารวัตที่ผ่านมานั้นเป็นเรื่องที่ยาวนานมากทีนี้ก็มาพิจารณาบอกว่าสัมภารวิบากเนี่ยคำคำนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงควมว่าพระบรมศาสดาหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บ่มเพาะบารมีในการที่จะ ดำเนินกระแสขันธาตุอายตนะของท่านนั้นน่ยในการที่จะต้องสั่งสมอัธยาสัยคือบุเพนบารมีทั้งหลายมาอย่างยาวไกลไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีอุปะบารมีสิบบารมัทธบารมีสิบรวมบารมีสาสิบทัศคิดอยู่ในใจนั้น จ็ดอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนี้นะแล้วก็เปล่งวาจาอีก9รวมเป็น16แล้วก็ทั้งกายวาจาและใจนั่นเองก็อีก4รวมเป็นยีสอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับนั่นแหละการที่พระผู้มีพระเจ้าจะต้องแบกวิบากคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจในการที่จะดำเนินตนเองในการที่ต้องการจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เมื S <S gaps, ่อเป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ได้อะไรเมื่อเป็นพระเจ้าแล้วพระองค์ก็จะได้ในการที่จะประกาศพระธรรมคําสั่งสอนเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรก็ต้องถามบอกว่าการขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรนั้นน่ะเพื่ออะไรก็เพื่อว่าให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากชาติทุกข์ทุกเพราะการเกิดชราทุกกรทุกเพราะความแก่พยาธิทุกกระทุกเพราะความเจ็บไข้มรณะทุกทุกคือความตาย โสภาปริเทวะทุกขโทมนานะสะและก็อุปายาตในคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดาที่พระ อ, องค์ทรงตั้งพุทธภูมิไว้ในใจพุทธภูมิในใจที่พระ อ, องค์ทรงตั้งเขาไว้ที่ท่านใช้คําว่าอุสาโโหวิริยังวุตตังอุมมัคโคปัญญาปวัจติอวัฒนานังอธิฐานังหิถจริยาเมีตาภาวนาบอกว่าวิริยะอันมั่นคงเรียกว่าอุสาหะ ปัญญาที่กล้าแข็งเรียกว่าอุมมะคะอธิษฐานอันไม่หวั่นไหวเรียกว่าอาวัถานะเมตตาภาวนาเป็นปุเรจาริกเรียกว่าหิตตจริยาหรือการประพพติประโยชน์ถ้าตรงเนี้ยบางท่านท่านจะสาธายายที่บอกว่า <S <S <ings> <S อุตสาโหวิยังอุตังอุมมะโคปัญญาปวจาัจตีอวถานังอธิธานัง หิาจาริยาเมตตาบาวนาบอกว่าวิริยะอันมั่นคงในเรียกว่าอุสาหะนะที่พระบรมศาสดาทรงตั้งพุทธภูมิสี่ประการเข้าไว้ที่ท่านเรียกว่าอุสาหะ อ, อุมัคค้าอวถานะและหถจจาริยาหรือหิาจาริยาก็พระเนียตาโพธิสัตว์เป็นผู้ถึงพร้อมด้พุทธภูมิเหล่านั้นน่ก็ประเด็นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่บอกว่า พระองค์เนี่ยถ้าได้รับพุทธบัญญัตในการที่จะเป็นพระผู้มีภาคเจ้าอันนั้นต้องนับตั้งแต่สี่สงไขยซึ่งในวันเนี้ยนะอันมาก็พยายามจัดเดินเรื่องให้ถึงในช่วงการที่ว่าประวัติของพระธีบางกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของสุเมธาดาบทในการที่ท่านจะมาตั้งอัธยาศัยปรารถนาเป็นพระผู้มีภาคเจ้าต่อหน้าพระพักและการที่จะได้รับพุทธบัญกร เมื่อท่านได้รับพุทธภรรยากรเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะมีความมั่นคงมั่นคงประการแรกก็คือวิริยะอันมั่นคงที่เรียกว่าอุตสาหะมั่นคงอีกประการหนึ่งก็คือปัญญาที่แข็งแรงหรือเข้มแข็งเรียกว่าอุห ม, มะคะหรืออธิฐานในใจที่มั่นคงที่จะมีสัมมาสัมโพธิญาณฝังแน่นในกมลสันดานอย่างมั่นคงแบบไม่สามารถจะถอดออกมาได้เนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่าอธิฐานนะคือไม่หวั่นไหวเรียกว่าอาวถานะ แล้วก็จะมีเกี่ยวกันในเรื่องของเมตตาภาวนาเป็นปุเรจาริกก็หมายความว่าเป็นธรรมที่เกิดก่อนหน้ากุสรธรรมต่างเหล่านี้นะเป็นธรรมที่นำหน้าเขาเรียกว่าเป็นหีตาจริยาคือการประพฤติประโยชน์ฉะนั้นการประพฤติประโยชน์ด้วยกายกรรมประพฤติประโยชน์ด้วยวจีกรรมการที่จะส่งข้อบุคคลอื่นนั้นจกมีเมตานำหน้า กายกรรมของพระองค์ที่เป็นไปในการที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นน่ยจะเป็นไปกับเมตตาจะเป็นไปด้วยการประพฤติประโยชน์จะเป็นไปด้วยการให้จะเป็นไปด้วยการเสียสละจะเป็นไปด้วยความอดทนจะเป็นไปด้วยการที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลจะเป็นไปด้วยความที่มีเมตตาทั้งกายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็เมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้น เขาเรียกว่าว <an> ิร <S an> ิยะของพระโพธิสัตว์นั้นก็จะแข็งแรงมากแข็งแรงแห่งโพธิญาทั้งหลายชื่อว่าอุตสาหะปัญญามีความฉลาดในอุบายในโพธิสมภารทั้งหลายก็เชื่ออุหมะคะอธิษฐานเพราะอธิษฐานที่ไม่หวั่นไหวก็ชื่อว่าอวถานะเมตตาภาวนากรุณาภาวนาเป็นหิตะจริยาทั้งนั้นนะนะถามบอกว่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะถามว่าท่านมีแต่เมตตาเท่านั้นไหมต้องบอกว่าไม่ใช่ กรุณาท่านก็มีมุทิตาก็มีแล้วก็อุเบกขาซึ่งเป็นบารมีของท่านก็มีประการก็คือว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์อัธยาสัยของพระโพธิสัตว์ที่ดันกล่าไว้หลายๆครั้งก็คือว่าเนคขมัตชาสยะอัธยาศัยในเนคขมะได้แก่มีปกติเห็นโทษในกามทั้งหลายและเห็นโทษในฆรวาสวิสัยฉะนั้นคนที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเรื่องสะดุง้งสะเทือนใจนิดหน่อยท่านสามารถที่จะคิดได้อย่างกว้างขวาง ไม่ได้คิดได้ด้วยอำนาจของวิตกจริตรเนะแต่คิดได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่กว้างขวางในการที่ท่านวิจัยกระแสขันธาตุอายตนะท่านสามารถวิจัยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไตตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่าหารเก่ามันสมองดีเสลต์หนองเลือดเงือมันข้นตรงนี้ท่านวิจัยละเอียดเย็บหมดท่านเห็นความไม่งามของสรีระบอกกายคือผม คือส่วนที่ประกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเกาะติดอยู่ในรูปกายนี้ก็เลยเรียกว่ากายอ๋อแท้จริงการที่เรียกว่ากายนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่งามทั้งหลายมาประชมกันอยู่ในรูปขันนี้สิ่งที่มาประชมกันนั้นไม่ใช่เพชรนินจินดามาประชมกันนะล้วนแต่เป็นของที่ไม่งาม คือหน้ารังเกียจเนยนะตรงนั้นอ่ะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเห็นความไม่งามของกายอุปมาท่านเห็นบอกว่าเหมือนดังกับอะไรเหมือนการซากสุนัขที่แขวนอยู่ที่คอของท่านอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านเบื่อนหน่ายในเพศคารวะวิสัยอยากจะสลัดกายนี้ทิ้งเนีไไ่ยบางครั้งท่านเห็นกายนี้เหมือนอะไรเหมือนกับอุจจาระถามว่าถ้าเราจะไปทายอุจจาระออกไปแล้วเราจะไปใส่ถุง เมื่อใส่ถุงเบสเสร็จแล้วถามว่ามีใครปรารถนาจะเก็บอุจจาระนั้นน่ะใส่พกใส่ห่อเดินทางไหมไม่มีชั้นใดท่านก็เห็นกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังเป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่น่าใ ย, ยดีเป็นต้นอย่าว่าแต่รูปกายเลยแม้แต่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะควรแบกไม่น่าจะควรยึดถือ ไม่น่าที่จะควรนําติดตัวไปในสัมปรายะพบควรจะดับควรจักปรินิพานนื้อแทเนี่ยอย่างงั้นแต่ทําไมท่านถึงต้องแบกภาระหรือสัมภาระที่ท่านต้องแบกมาอย่างยาวไกลท่านเห็นแก่อะไรท่านเห็นแก่เราท่านทั้งหลายที่กําลังนั่งประชุมกันอยู่เนี่ยท่านเห็นว่ากระแสขันทาศยยตนะของเราทั้งหลายเนี่ยมันเต็มไปด้วยโมหะคือความมืดมนอนตการเนืคือความไม่รู้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่ ไม่รู้หรอกเราเนี่ยกำลังนั่งนั่งกันอยู่ใช่ไหมว่ามันประสบชาติทุกข์ทุกเพราะความเกิดชราทุกทุกเพราะความแก่ความแก่ความตายความวิบัติพัดพลากมันซึมทุกอนูทุกผิวหนังของสรีลัของร่างกายแต่สัตว์ทั้งหลายเพราะมีโมหะนี่แหละปิดบังกระแสขันทาตดียตะสัตว์นั้นก็ไม่เห็นความเป็นจริงของความมืดมนอนตการที่ปกปิดกระแสใจอยู่ ฉีนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในเวลาท่านมีเนคขมัติชาสยะเนี่ยอัธยาศัยท่านจักบำเพ็ญเนคขมะท่านมีปกติเห็นโทษในวัตถุกรรมแล้วก็เห็นโทษในกิเลสกรรมเนีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นตําแหน่งเป็นยอดเป็นที่ดินเป็นสิ่งของต่างๆเกียรติยศชื่อเสียงญ้าสายโลหิตต่างๆร้วนเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงไม่น่าปรารถนาแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวกิเลสกรรมทั้งหลายคือกิเลส คือราคะกิเลสคือโทสะกิเลสคือโมหะคือความโกรธความพยาบาทกิเลสคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงกิเลสคือมานะคือความเย่อหยิงถือตัวกิเลสคือมิจฉาทิฐิคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงฟังแน่นไกมรกระมาสันดานของเราสัตว์กิเลสต่างๆเหล่านี้ก็ปิดบังฉะนั้นคารวะวิสัยเนี่ยคับแคบมากเพราะท่านพิจารณาอย่างนั้นเพราะอัธยาศัยท่านสั่งสมมาอย่างยาวนานท่านก็ออกบวช ท่านไม่เห็นเลยท่านบอกว่าปลาที่มันติดอยู่ในแห่ในใสเนี่ยมันดิ้นรนอยากจะออกเห็นไหมอยากจะออกจากคายอยากจะออกจากแห่อยากจะออกจากใส่หนูที่มันติดอยู่ในกรงมันก็อยากจะวิ่งหนีออกจากกรงนะกบที่มันอยู่ในปากงูมันก็อยากจะดิ้นออกจากปากงูนืนักโทษที่อยู่ในห้องขังมันก็อยากจะดิ้นออกจากห้องขังสัตว์ทั้งหลายที่มีปัญญาที่ติดอยู่ในภพในการภูมิรูปประภูมิและในอรูปภูมิ ก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากจะออกแต่ก็ออกกันไม่พ้นเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมาวินิจฉัยคิดกันหาหนทางในการที่จะพ้นจากวัฏจุกใช่ไหมเราลงมาพิจารณาดูคำถามในโลกใบนี้ปุถุชนที่คิดกันเข้าไว้คิดไปคิดมาก็เป็นเหมือนอะไรคิดไปคิดมาก็พันตัวเองในส่วนจริงก็ออกจากปัญหาไม่ได้ ออกจากสิ่งที่ตนเองคิดไม่ได้ใช่ไหมเหมือนคนสร้างถนนเะนี่ยสร้างไปสร้างมาก็ออกจากนั้นไม่ได้ในส่วนจริงเป็นอย่าเส้นกันขนมเลยไหมหนักเขา้านักเขาก็ติดใช่ไหมก็ติดอย่างเงี้ยฉะนั้นความคิดของบุรุชนเนี่ยไม่ดีจริงไม่เหมือนความคิดของพระบรมศ า, าสดานีท่านวางแนวทางในการที่จะให้สัตว์นั้นออกจากชาติที่ทุกข์เพราะการเกิดชราทุกพยาทีทุกข์มรณะทุกข์ให้พ้นจากความโศกความล่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจและก็ความคับแค้นใจ ท่า น, นพระโพิษัตว์ทั้งหลายท่านต้องบำเพ็ญเนคขมมะบารมีเขาเรียกว่ามีเนคขมมะชาสยะอัธยาสายคิดออกบวชประการต่อมาคือปริเวกัดชาสยะคืออัธยาสายในวิเวกได้แก่มีปกติเห็นโทษในการคุกคีด้วยหมูคนะ่คณะทำว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยระหว่างการคุก ค, คีกับการอยู่ผู้เดียวเนี่ยต้องไปถามบุคคลที่เขาปลีกหลีกเล่นนี่เขาชอบการปลีกชอบการหลีกเล่นชอบความสงบ เพราะการคลุกขีเนี่ยเป็นโทษมากเต็มไปด้วยบาปอากุศลธรรมนลามกเราท่านทั้งหลายถ้าอยู่กันตั้งแต่สองคนสามคนขึ้นไปเนี่ยโดยมากก็เป็นไปกับบาปอากุศลธรรมมลามกโดยมากก็มาแล้วมิจฉาวาจามาแล้วมีการพูดเท็จมีการพูดส่อเสียดพูดคำยาพูดเพลอเจอ้อกายก็มีกายยุสจริตใช่มมีการฆ่ามีการลากักมีการประพฤติผิดในกาม ในใจนั้นก็เต็มไปด้วยความเศร้าหมองด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยพยาบาทต่างๆเหล่านี้นั่นแปลว่าอะไรคือการครุกคลีครุกคลีนั้นอ่ะอีกความหมายหนึ่งท่านพูดถึงอะไรรู้ไหมท่านพูดถึงใจของเราท่านทั้งหลายที่เต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฐิวิจิกิชาหิริกาอนตตะปะฉะนั้นใจของเราท่านทั้งหลายที่เป็นไปกับตัญหาเนี่ยเขาเรียกว่ามีตัญหาเป็นเพื่อนท่านจะบอกตัญหาทุติโยโุริโสใช่ไหม บุตรมีตันหาเป็นเพื่อนเราท่านทั้งหลายนี่มีความอยากมีความต้องการมีความโลภมีความยินดีมีความเพลิดเพลินเป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแปลว่าเราครบตันหาเราสมาทานเราเป็นไปกับตันหาแล้วพระบรมศาสดาจึงบอกว่าถ้าตราบใดเธอทั้งหลายท่องเที่ยวไปกับตันหาตันหามันก็แทรกซึมเมืม่อมันแทรกซึมในกระแสใจมันก็ผักใสไล่ทรงให้ใจของท่านทั้งหลายนั้นเป็นไปกับชาติทุกข์ ในสุดจริงๆนั้นนะกระแสขันท่อนาอายตนะของท่านก็ไม่พ้นจากวัตทุกข์อันยาวไกลได้เพราะท่านไปครบตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นปาปมิตรมันก็ชักจูงให้ติดอยู่ในภพให้ติดอยู่ในขันท่อนาอายตนะให้ติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ไม่เห็นโทษของการต้องแบกตาหูจมูกลิ้นกายใจในการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเฉพาะปัจจุบันเพบกันเหนื่อยแสนจะเหนื่อยกันอยู่แล้วใช่ไหม บางท่านนะมีพ่อเดี๋ยวก็ต้องจากพ่อมีแม่ก็ต้องจากแม่มีลูกก็ต้องจากลูกมีญาติพี่น้องมีเราก็ต้องจากกันเนี่ยนะในที่สุดจริงๆนะั่นแหละเพราะเราครบตัญหาแต่ถ้าเรามีศรัทธาเป็นเพื่อนและศรัทธานั้นตั้งไว้ในตถาคตาโพธิศรัทธานะีตั้งไว้ในมั่นคงในการจัุรู้ดีของพระผู้มีพระเจ้าในความเป็นธรรมดีของวัฒน์ในการประพฤติปฏิบัติดีของพญรรสง์ เรามีพระรัตนตรัยเป็นจุดหมายปลายทางเป็นเครื่องดําเนินทางนํากระแสขันท่าอธิยตนาของเราท่านทั้งหลายเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดประการใช่ไหมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวาิมารสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเราเดินตามมรรคที่มรรคเนี่ยเราสแสวงหาอริยมรรคมรรคจากสแสวงหาพระนิพพานใช่ไหม ตอนนี้เรายัางประชุมมากไม่ได้เราแสวงหามากไม่ได้ชีวิตเราจะหลงไปอีกยาวไกลเลยนะพระโพธิสัตว์ก็หาแนวทางของเราท่านทั้งหลายใช่ไหมบอกแนวทางของเราท่านทั้งหลายบอกว่าให้เราท่านทั้งหลายนั้นให้มีปกติเห็นโทษในการคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะให้เห็นโทษในการคลุกคลีกับตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เห็นโทษกับการคลุกคลีกับราคะให้คลุกคลีกับโทสะคลุกคลีกับโมหะ อีกประการหนึ่งพระโพธิสัตว์ท่านจะมีอัธยาศัยอะไรมีอโลพัชชาสยะอัธยาศัยในความไม่โลภได้แก่มีปกติเห็นโทษของโลภะเราท่านทั้งหลายเวลาเกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินเกิดความสุขใจใช่ไที่เป็นกลกับการติดการยึดการถือเนี่ยเราเคยเห็นโทษไหมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่า เมื่อความยึดถือความติดข้องเกิดขึ้นเวลาใดบอกว่าโทษเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดจริงๆจะเป็นปัจัยเราติดข้องเมื่อเราติดข้องสิ่งใดเราก็ออกจากวัตถุออกจากสิ่งนั้นไม่ได้อะไรนะเป็นอัาธาของสัตว์โลกนะกิเลสยังไงคือราคะที่บวกกันกับเวทนาที่เป็นไปกับสมนัตเป็นต้นหรือเวทนาที่เป็นไปกับเบขาเป็นต้นนี่แหละ ฉะนั้นตัวราคะตัวความกำหนัดความยินดีความเพิดเพื่อ น, นี่แหละมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับตังที่เขาทาไว้กับตอแล้วลิงเขาไปนั่งบนตอแล้วมันติดตังอยู่นั่นน่ะมันก็ไม่สามารถที่จะลุกออกได้ชั้นใดเราท่านทั้งหลายที่ยินดีพอใจในรูปยินดีพอใจในเสียงยินดีพอใจในกลิ่นยินดีพอใจในรสยินดีพอใจในสัมผัส ถ, ถูกต้องยินดีพอใจในความ ในธรรมารมณ์ทั้งหลายคือความเพิดเพลินความยึดติดทั้งหลายเหล่านี้ความยินดีพอใจต่างๆเหล่านั้นเขาเรียกว่าโลภะแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอะโลพัชชาสยะอัธยาศัยในความไม่โลภจำได้ไหมพระเจ้าขจั ป, ปิยะที่เราศึกษาในสัมภะวิบากเห็นไหมที่ท่านเป็นพระราชามาหากษัตริย์ที่ท่านคล้องช้างมาแล้วได้ช้างมามาฝึกเป็นช้างเป็นพระที่นั่ง แล้วอยู่ต่อมาช้างพระที่นั่งของพระ อ, องค์นั่นแหละเกิดเมามันด้วยตัณหาราคะเพราะตกมันเนี่ยได้กินช้างพังคือช้างตัวเมียขึ้นมาใช่ไหมในที่สุดจริงๆในขณะที่พระโพธิสัตว์ตอนนั้นเป็นพระเจ้าเป็นดินประทรับอยู่บนคอช้างนั่นแหละช้างมันเคยหยุดไหมเนี่ยมันเคยเกรงใจไหมว่าตอนนี้พระราชามากษัตริย์ประทรับอยู่บนคอของเราประทรับนั่งอยู่บนหลังของเราผู้ที่ประทรับนั่งอยู่บนหลังของเราเป็นคนมีบุญมากมันคิดไม่ออก เพราะราคาดากิสนามันฝังนั่นในกำมูลสันดานของมันใช่ไหมในที่สุดจริงๆมันก็วิ่งใช่ไหมเพราะโพธิสัตว์ก็ต้องดึงพระแสงขอขึ้นมาพระสับใช้เวลาสับเป็นปันพันข้างเลือดก็ไหลอาบเต็มหัวช้างเนี่ยนะในที่สุดจริงๆช้างมันหยุดมะมเดโรพระน่ะมันไม่ยอมหยุดชั้นใดใช่ไหมมันก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยในที่สุดจริงๆพระโพธิสัตก็ต้องอาศัยกิ่ง ต้นมะเดือ่อในการรักษาชีวิตแล้วก็เกาะหอนโขนตนเองอยู่กับต้นมะเดื่อนั้นช้างก็วิ่งก็ไปหาช้างพังในป่าใหญ่แล้วในเสือจริงๆพระองค์ก็กลับมาจากเมืองพระราชบริพานมารับกลับลงเห็นไหมเกือบตายเอาชีวิตไม่รอดพอมาถึงก็บอกกับนายควานช้างวันไหนท่านฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนี้ควานช้างก็บอกฝึกอย่างดีแล้วเลยจับควานช้างเลยเข้าห้องขังเอาไว้ ความช้างบอกเจ็วันจะกลับมาเนาะว่าไั้นี่ยในสุดจริงๆพอครบเจ็ดวันช้างนั้นก็กลับมาจริงๆใช่ไหมพอกลับมาเพราะอะไรด้วยอํานาจของมนที่ที่ความช้างน่ะไลมนเรียกกลับมาได้อาทําไมถึงเรียกกลับมาได้ตอนนั้นราคะมันหมดไปจากกระแสะใจเนาะมันสงบลงสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ายามใดเกิดราคะเกิดความเพลิดเพลินราคะดํากิสนาล้วรดในจิตใจเมื่อใดนะเราลืมหมดได้ยังไหม ลืมพ่อลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้แต่พระบรมศ า, ศาสดานะียลืมพระธรรมลืมพระอริยสงฆ์กระทำผิดพลาดทำชั่วทำบาปน้ามาเยอะแยะก็เพราะราคาดากิสนานี่แหละดูช้างเป็นตัวอย่างในของคำพีสายนอกเขาว่าช้างตัวนั้นคืออดีตชาติพระหมากรอบนะี่ยท่านลองคิดดูทีพระหมากรนะสบเนี่ยลองคิดดูที น้ำมาพิจารณาเนี่ยนิสัยนอกโบดูแล้วทําให้เราสะดุ้งกลัวไหมล่ะใช่ไหมว่าราคาขนาดนั้นนะลองดูปฏิบัติกาของพระมหากัะสปะที่ท่านเห็นโทษในกรามขนาดไหนแต่ในอดีต น, นีท่านทําไมคลั่งไครในกรามขนาดนั้นใช่ไหมในที่สุดจริงๆพระโพธิสัตว์พระราชาก็ถามเมื่อช้างกลับมาก็ถามในความช้างวันไหนท่านบอกว่าฝึกมาอย่างดีแล้วลองพิสูจน์ให้ให้ใ ห, ให้ดูหน่อยสินายควานช้างก็ไล่มน แล้วก็บอกว่าให้พนักงานเอาก้อนหินใหญ่ๆสมไฟให้แดงฉานไฟลุกโชดช่วงแดงอย่างกระถานเพิงนี่นะแล้วก็ให้ช้างตัวเนี้ยใช้งวงไปจับฐานเลยไปจับหินน่ะบอกอุ้มหินขึ้นมาช้างตัวนั้นก็อุ้มตามร้อนช้างก็ร้องสุเสียงกันนะไฟก็ไหม้งวงไม่ยอมปล่อยเพราะเชื่อตัวความช้างเนี่ยแต่ตอนนั้นราคะเกิดไม่เชื่อใครเลย ลองมาพิจารณาดูอย่างเนี้ยพระโพธิสัตว์เห็นงี้ก็ให้รีบปล่อยพอปล่อยเบสเสท่านสะดุ้งสะเทือนบอกโอ้โหโลภะน่ากลัวมากราคะน่ากลัวมากความยินดีเพลิดเพลินน่ากลัวมากสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในห่วงของราคะดำกิสนาอย่างนี้อย่ากันนั้นเลยเราจะสละราชบัลลังก์ออกบวชเห็นไหม น, นั่นตัณเห็นโทษของโลภะประการต่อมาพระโพธิสัตว์ท่านมีอโทศศชอาสยะคืออัธยาศัยในความไม่โกรธได้แก่มีปกติเห็นโทษของโทสะ ความโกรธความพยาบาทเราท่านทั t. T. ้งหลายญาติโยมทั so, to to ้งหลายมาพิจารณาดูเนี่ยบอกว่าสังคมที่เดือดร้อนกระแสขันธาตุยตยัตนญาของสัตว์ทั้งหลายที่เราร้อนเพราะอะไรเพราะสภาวะคือโทสะโทสะเป็นสังขารธรรมเกิดร่วมกับโทมานาเวทนะเกิดร่วมกับสัญญาขันเกิดร่วมกับวิญญาณขันแล้วก็ตั้งอยู่บนรูปขัน ฉะนั้นเมื่อนามา ร, รมกล่าวคือโทสะเจตสิกนั้นเกิดความเร่าร้อนเผาทำที่เกิดร่วมกันกับตนโทสะเจตสิกเผาไหม้ตัวเองแล้วก็ไปเผาเวทนาขันแล้วก็ไปเผาสัญญาขันแล้วก็ไปเผาสังขารขันวิญญาณขันแล้วก็ไปเผาที่ตั้งคือหทาทิยวัตถุแล้วก็ไปเผามหาพูทคือดินน้ำไฟลมที่อาศัยที่มาที่หทาทิยวัตถุอาศัย แล้วก็ไปเผาดินน้ำไฟลมที่เกิดจากจิตเดิมินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมที่เกิดจากอาหารที่เกิดจากอุตุสรุปก็คือเผาทั้งสรีรละท่านทั้งหลายที่ถูกโทสะเผารลนอยู่ตลอดเวลานี่นะ่นั่นแหละคือโทสะเป็นสภาพที่เราร้อนมากเราท่านทั้งหลายไม่เห็นโทษของโทสะใช่ไมเวลาโทสะเป็นประธานเกิดขึ้นมาบางทีฤิยะก็เกิดบางทีมัชริยะก็เกิด ว่าลิ์สยาและมัจฉริยะและความตณีเป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งการวิวาทเป็นเหตุแห่งการวิวาทเป็นเหตุแห่งการขัดแย้งเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทสัตว์ทั้งหลายทั้งทั้งที่ปรารถนาดีต่อกันปรารถนาสงบปรารถนาให้มีความสามัคคีกันแต่เอลิ์สยาและความตณีนี่แหละก็เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุแห่งการขัดแย้งเป็นเหตุแห่งการแบ่งพวกเป็นแห่งเหตุแห่งการห้ำหั่นเป็นเหตุแห่งการตบตีกันหรือแย่งชิงกันหรือเข็นฆ่ากัน เราท่านทั้งหลายลองพิจารณาด้วยใจความริษยาไหมบางท่านมีตําแหน่งก็หวงตาแหน่งไม่อยากจะสละตําแหน่งพวกที่ไม่ได้ตําแหน่งก็ริษยาอยากจะได้ตําแหน่งไอสองตัวนี้เกิดขึ้นในกำม ล, ลักขันของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ก็ทะเลาะกันนี่แหละโทษของราคะนี่ไงโทษของโทสะพระโพธิสัตว์ท่านเห็นโทษเหล่านี้เราท่านทั้งหลายเห็นไหม เราอย่าลังเกียจบุคคลแต่ให้ชิงชังกิเลสที่อยู่ในกระแสะขันธะอเยตนะจงน้อมเพื่อจะละราคะโทสะโมหะที่อยู่ในกำมลสันดานของท่านทั้งหลายเสียแล้วท่านจะได้ไม่ขัดแยง้งปัจจุบันที่เกิดความขัดแย้งในกระแสะใจของเราท่านทั้งหลายเพราะลิษยาและความตนีลิษยาและความตนีคนที่ตัดมัชชริยะ ตัดความริษยาในกโมูลสันดานได้เขาก็ไม่มีความขัดแย้งหนที่ไหนๆเราท่านทั้งหลายยังมีริษยายังมีความตนีอยู่ตอนนี้มันยังมีกําลังไม่มากเพราะมันยังไม่ได้ปัจจัยสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราเคยเป็นและเราจะต้องไปเป็นถ้าไม่ระมัดระวังเราอย่าคิดว่าไกลตัวนอะเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยอยู่กระใจของเราท่านทั้งหลายนี่แหละ ท่านทั้งหลายยังไม่มีใครนั่งกันนะที่นี่นะถ้าไม่มีพระโสดาบันนนั่งนะที่นี่นะถ้ามีก็ท่านบุญ น, นั้นก็ตัดด่าแต่ถ้าไม่มีนี่นะรติยาและควาตตมตนิีเต็มในกำมูลสันดานของท่าน <S <S เพียงแต่ว่ามันจะกมเริบเมื่ อ, อไหร่ตัวนั้นท่านจะปล่อยให้มันเกิดเผาใจท่านเมื่อไหร่ทัวนั้นเองนี่ไงอัธยาสัยกังพโพธิสัตว์ท่านไม่มีท่านมีอโทศศชาสยะท่านเห็นโทษของ โทสะเห็นโทษของลิษยาเห็นโทษของความตนนีเราท่านทั้งหลายเห็นโทษของอิสาริสยาเห็นโทษของความตนีเห็นโทษของโทสะหมถ้าเห็นก็จงน้อมเดินตามทางที่ท่านพระโพธิสัตว์ท่านเดินและเดินตามร่องรอยของพระเจ้าอะไรจะป้องกันกุศลศีลป้องกันโทสะเมตตาป้องกันโทสะแล้วก็ขันติป้องกันโทสะ ศีลเมตตาและขันติเป็นรากของเป็นรากของเมตตาใช่ไหตอนนี้เมตตาของเราท่านทั้งหลายมันไม่เจริญงอกงามอ่ะปลูกตายปลูกตายในกระแสใจเนี่ยนะเพราะรากมันขาดขันติมันขาดเมตตามันขาดใช่แล้วก็อะไรตัวศีลมันขาดตัวศีลมันขาดฉะนั้นตัวเมตตาธรรมทั้งหลายมันก็ไม่เจริญงอกงามใช่ม เมื่ตตาธรรมทั้งหลายไม่เจริญงอกงามสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปด้วยลิสยาและความตณีขัดแย้งกันทะเลาะวิวาทกันเข็นฆ่ากันแล้วก็ยกพวกกันห้ำหั่นกันไม่ยอมกันก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เราได้อะไรเราจะได้เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า พ, พุทโธโลเกอ ป, ปันโนการอุบัติเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีโน พระธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงทรงตรัสออกมาน่ยถูกต้องทุกประการแล้วข้าพเจ้าจะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมรสการความตััสรู้ดีของบุตรเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของภ ร, ริยสง์ได้สมาทานบ่อยๆไหมถ้าไม่สมาทานไว้ในจิตใจให้ตั้งมั่นนะในที่สุดจริงๆจะจิตใจของเราท่านทั้งหลายก็วกวนสับสนวุ่นวายมีเรื่องมากมายเต็มไปหมดเลย แท้ที่จริงใช่ไหมด้วยความที่ไม่ตั้งมั่นในกระแสะขันธาตุอยายตนะของเราท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยเรารู้ตัวไหมว่าเราจะไม่มีโอกาสศึกษาพระธรรมกันอยู่แล้วเรามีทั้งมานขวางกั้นมากมายหมดมีทั้งมัจจุมานมานคือความตายไม่รู้จะมาตัดทอนกระแสะขันธาตุอยายตนะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมีทั้งเทวปุตตมานใช่ไหม คือมารที่ไม่หวังดีต่อการที่จะศึกษาพระธรรมคําคสั่งสอนไม่รู้จะมาพลาดจิตใจให้เราทั้งหลายเป๋ออกจากคําสอนของพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีทั้งกิเลสมารคือราคาโทสาโมหะมานาทิถิวิจิกิจฉาอาหิริกานุตตะปาและอุทธจัจะที่มันฝังแน่นในกระแสขันธาตุอายตนะของเราทั้งท่านทั้งหลายให้มันคิดผิดเห็นผิดน้อมไปในสิ่งที่ผิดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมีทั้งอภิสังขารมาน มารคือเจตนากรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปโดยเฉพาะเจตนากรรมที่ไม่พึงประสงค์มันก็ให้กระแสวิบากที่ผิดพลาดให้เราไปเกิดในสิ่งที่เกิดร่วมกับมิจฉาทิฐิบุคคลฟังมิจฉาทิฏฐิบุคคลหรือให้วิบากที่ไม่น่าปรารถนาให้เกิดขึ้นจะศึกษาพระธรรมแต่ละทีก็มีอันเป็นไปมีเรื่องมีความวุ่นวายปิดตรงนั้นปิดตรงนี้พ่อแม่ป่วย สารพัดสารพเพเยอะแยะไปหมดนั่งรถมาน้้ำมันหมดรถเสียแล้วก็เยอะแยะหมดใช่ไหมจะมาศึกษาพระธรรมพ่อแม่ไม่ยัอยากให้มาบางพี่น้องสามีแม่มาสารพัดนั่นคือเจตนาที่เป็นอภิสังขารมานท่านเข้าใจไหมมานต่างๆนี่ทั้งเทวปุตตมานทั้งมัจจุมานขันธมานออีกอย่างหนึ่งหลายท่านไม่ไหวแลวนั่งก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยศึกษาไม่ไหวแล้ว ทั้งชลาก็เบียดเบียนพญาทีก็ลุมร้อมบีบเข้าไปหาเพื่อจะเข้าใกล้มรณะบางคนอำมาตจับไปแล้วมีหมดโอกาสศึกษาพระธรรมบางท่านที่มานั่งอยู่นี้ก็จิตใจก็เร่าร้อนห่วงบ้านบ้างห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องใจไม่อยู่ในพระธรรมคําสอนท่านทั้งหลายเจอมาเล่นงานแล้วถ้าท่านไม่เข้มแข็งจริงๆท่านฝ่าฟันอุปสรรคไม่ได้ ท่านต้องอาใจของพวกโพธิสัตว์มาไว้ในใจของท่านนะท่านถึงจะฝ่าฟันได้ท่านถ้าว่านั่งอย่างนี้นะใจท่านอ่อนแอนะในส่วนจริงกิเลสมานก็เล่นงานท่านเดี๋ยวก็นั่งหลับใช่ไหมเดี๋ยวก็นั่งฟุง้งเดี๋ยวก็นั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แทนที่มาศึกษาพระธรรมคําคสอนแทนที่จะได้ความสงบก็มานั่งวา้าวุ่นคนอื่นได้บุญเราได้บาปดูสิกิเลสมานก็เผากระแสขันธ์ธาตุเจตนาของท่านทั้งหลายแล้วกลับไปบอกเอาบุญมาฝาก ใช่ไหมทุกวันนี้การศึกษาพระธรรมที่จะเป็นไปตามพระธรรมคําสั่งสอนเนี่ย น, น้อยมากถ้าเรื่องเกี่ยวในเรื่องของว่าประเพณีเราตามกันเต็มหมดเห็นไหมนั่นคือกิเลสมารเนะี่ยเล่นงานนั่นคืออภิสังขารมารเนะเล่นงานนั่นคือเทวปุตตมารเล่นงานถามว่าเข้าใจเทวปุตรมารไหมเทวปุตตมารเนี่ยนะมานคือเทพบุตรทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายมันเข้าสิงใจท่านทั้งหลายเยอะ ยิ่งคำสอนที่ถูกถูกแล้วมันไม่น้อมก็ให้ท่านไปฟังหรอกถ้าสิ่งที่ผิดผิดมันจะพาให้ท่านเฟแล้วก็พาให้ท่านเป๋ไปสารพัดแล้วจะทําให้ท่านติดด้วยแล้วก็บอกนี่ไงพ้นทุกข์แค่นี้พอแล้วเราเอาอะไรจริงๆจรง จ, รงจรงไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังอย่างที่เขาว่าหรอกชีวิตเราต้องกินเราต้องใช้เราต้องอยู่เราต้องทาํามาหากินเราจะต้องมาขัดเกลาทุกวี่ทุกวันเป็นไปได้ยังไงเห็นไหม ท่านก็เจริญกุศลไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ได้พบนี่ก็น่าลื่นล้มชีวิตในการที่เราจะเรียนเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นครูเป็นตำรวจอีกเยอะแยะชีวิตเราย่งรุ่งเรืองเกียรติยศชื่อเสียงเรายอีกสูงเห็นไหมมันก็หลอกแล้วสารพัดแล้วมันหลอกแล้วตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมมารก็ครอบงามพ่อบอกกับลูกเอ้ยขยันเรียนต่อไปได้เป็นเจ้าคนนายคนใช่ไหมโตขึ้นมาหน่อยเบ็ดเสร็จลูกเอ้แต่งงาน จะได้มีความสุขใช่ไหมเอาแต่งงานเดี๋ยวมีลูกที่จะมีความสุขอาลูกเรียนจบจะมีความสุขลูกมีหลานจะมีความสุขมันหลอกจนจะแก่งอมตายอยู่กับบ้านกันไม่รู้กี่ชุดตัวกี่ชุดแล้วเราไม่เคยรู้ตัวมันหลอกเราไม่รู้สารพัดใช่ไหมเราไปดูจริงๆแล้วสุขจริงไหมที่สุดจริงๆก็ลังงมอยู่ด้วยพิษไข่ไม่ว่าชาติทุกชะลาทุกพญาทุกถามว่าพ้นจากมันได้จริงหรือไม่ ฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาจริงๆท่านทั้งหลายก็จมอยู่กับเนี่ยมานั้งหา้ามันก็ฝังแน่นในกำมลขักฐานของท่านทําให้เราเป๋มาหลายภพหลายชาติแล้วท่านหลายก็ตั้งจิตให้ถูกตั้งกระแสขันทาตศยจตนาให้ชัดแล้วตั้งใจให้มั่นคงว่าเราจะเดินฝ่าฟันยังไงถ้ายิ่งคนประกาศนะว่าเราจะพ้นทุกเนะ่ยคือประกาศเป็นปฏิปักษ์ต่อพญามาร ถ้ายิ่งประกาศนะยิ่งเสียงดังเมื่อไหร่มารก็ยิ่งขวางกั้นมากเลนะั้นคิดในใจเขายังเล่นงานนฉะนั้นตรงนี้ท่านทั้งหลายก็จะต้องจิตใจต้องแข็งแรงอย่างพระบุริศัสที่บอกว่าอโมหสชาสยะอัตยาใสาในความไม่หลงได้แก่มีปกติเห็นโทษในโมหะกลุ่มสัมโมหะทั้งหลายคือธรรมที่เกิดร่วมกับความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงถามเราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่นที่เนี้ย เราเคยเข้าใจไหมว่ารูปประกายที่นั่งอยู่เนี้ยประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเ ย, ย็นกระดูกเยือย่อในกระดูกเป็นต้นที่มหาพุทธรูปและอุปาทายลูปที่เป็นไปในส่วนของรูปประกอบนามธรรมที่เป็นปจัจจัยในการมานั่งฟังธรรมนะที่เนี้ยถามบอกว่าเป็นไปในส่วนของนามธรรมรูปธรรมนามธรรมที่ประชุมกันเป็นไปอยู่ที่กําลังเป็นไปอยู่ในลักษณะอย่างเนี้ยถามว่าเราสําคัญผิดกันแค่ไหนเราไปเห็นว่าเรานั่งใช่ไหม เห็นเป็นสัตว์บุคคลนั่งเห็นเป็นหญิงนั่งเห็นเป็นชายนั่งในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นความผิดค่อนข้างพลาดแล้วหรือถ้าหยาบๆที่เราท่านทั้งหลายไปนั่งให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดความไม่รู้ตามความเป็นจริงอีกเยอะแยะหมดเอาเรารู้ไหมในขณะที่นั่งในกุศลกรรมเรื่อกุศลกรรมเกิดขึ้นแค่นี้ก็แทบจะจมเลยใช่ไหม เราไม่รู้เลยนะว่าในขณะนี้ว่าเจตนาที่เป็นไปกับการนั่งในการเป็นไปกับพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดานั้นเรียกว่าเจตนากรรมนี้เป็นกุศลกรรมและกุศลกรรมที่เป็นไปกับการฟังพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาในครั้งที่นี้ผ่านพระผ่านฆระวาสหรือใครก็แล้วแต่นี้ที่มากราฟพระธรรมอยู่ในขณะนี้กุศลจิตที่เป็นไปนั้นมีศรัทธาเป็นประธานที่เป็นไปกับการฟังมีเจตนาเป็นประธานที่เป็นไปกับการฟังมีปัญญาเป็นประธานที่เป็นไปกับการฟัง น้อมระลึกถึงคําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าก็ทรงกระแสใจเป็นไปกับพระธรรมคําสอนในขณะนั้นกุศลจิตก็เป็นไปเมื่อกุศลจิตก็เป็นไปนั้นกุศลจิตนั้นก็เป็นปัจจัยแก่จิตตะชวาวิโยธาตจิตตชวิโยธาตก็กลุ่มธาตุลมทั้งหลายก็ที่เป็นไปในการาชกายทั้งสิ้นก็ทําให้การาชกายนั้นมียาบทที่นั่งและมีความสงบไม่หลุกลึกนี่นะจิตใจนะั้นเป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลในขณะนี้ บอกโอ้ในขณะนี้เรียกว่ากุศลกรรมเออกุศลกรรมที่เป็นไปอย่างนี้เป็นไปทั้งเป็นกรรมที่ทําในปัจจุ บ, นบันอาภพและจะให้ผลในปัจจุบันภพได้ด้วยและกรรมที่เป็นไปในปัจจุ บ, นบนะันอาภพนั้นจะให้ผลในสัมปรายภพคือภพถัดไปด้วยและกรรมที่เป็นไปในสัมปรายที่เป็นไปในปัจจุบันภพที่กําลังฟังธรรมนี้จกให้ผลเป็นไปในภพที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจากปรินิพานเป็นต้นด้วยเนี่ยถามเข้าใจไหม ถ้าเข้าใจในลักษณะนี้ก็จะเข้าใจว่าโอ้เรากําลังมาเจริญกุศลกรรมเมื่อเจริญกุศลกรรมก็คอยป้องกันไม่ให้บาปอากุศลธรรมอลามกแทรกซึมเข้าสู่กระแสจิตใจเมื่อป้องกันได้ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่านั่นการฟังธรรมเริ่มเป็นแล้วคอยละมัดระวังไม่ให้จิตตนเองนะั้นเป็นบาปไม่ใช่มาฟังธรรมใจก็เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลไอคนนั้นไปไหนนะจะทําอะไรต่อนะจิตใจก็วุ่นวาย เป็นไปกับบาปอากุศลธรรมอลามกถามว่า น, นั่นใช่บุญหรือไม่นั้นก็เป็นไปกับบาปใช่ไหมเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลธรรมอลามกในสมัยครัง้งพิริการเราท่านทั้งหลายจําได้ไหมวเวลาเขาฟังธรรมเนี่ยเขาจะเงียบไม่มีแม้แต่เสียงเดินนะเสียงไอก็ไม่มีน่ะเสียงจามก็ไม่มีน่ะนั่นเพราะอะไรเพราะเขาเคารพพระธรรมเขาเคารพพระธรรมเพราะเขาเคารพพระพุทธเจ้าทําไมเขาเคารพพระธรรมทาไมเคารพพระพุทธเจ้า เพราะการอุบัติเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ละภพแต่ละชาติเป็นสิ่งที่ยากนักหนาการที่เราท่านทั้งหลายจะนำกระแสของขันธาตุอายตนะมามีโอกาสมาประชมมาฟังธรรมก็ยากแสนเข็ญยากมากๆกการที่เราจะยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตาัยกือคุณของพระเจ้าก็ยิ่งยากใหญ่ ฉะนั้นแต่เราไปภาดทําให้ศรัท ธ, ธาของเรานั้นหลุดหายไปจา ก, การฟังธรรมของพระผู้ธมีพระเจ้าเนี่ยถามว่าเราจะเสียหายสัขนาดไหนเนาะแล้วฉะนั้นในอดีตเนี่ยพ่อเรานั้นน่ะตั้งกระแสะใจเราไว้ไม่ดีนี่แหละเราจึงเสียหายมาในปัจจุบันพนี้เพราะเราตั้งใจไว้ไม่ดีนั่นเองอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราหลงมืดมนอธิการก็เพราะกลุ่มสัมโมหะความหลงนี่เองที่มันเป็นไปกับวิจิกิจฉาเป็นไปกับความฟุ้งซ่าน ไอตัววิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเนี่ยไม่ตกลงใจเนี่ยนะไม่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยก็เป็นเหตุจริงวะอีกอย่างหนึ่งก็คือฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านคืออุเทจรเป็นต้นแม้ขณะความโรภเกิดขึ้นโมหะก็ปิดบงังความโกรธเกิดขึ้นโมหะก็ปิดบงังสรุปก็คือโมหะนั้นปิดบงังทําให้เราไม่เห็นกระแสของขันธาตุอจิจนะที่กําลังดําเนินไปอยู่นี่คือเรียกพระโพธิสัตว์จกักไม่มีอัธยาศัยแบบนี้ อัธยาศัยของพระบุตรสัตว์นั้นพระบรุตรัทนั้นต้องเป็นอมโมหัชาสยะอัธยาศัยคือความไม่หลงได้แก่มีปกติเห็นโทษเห็นโทษของความหลงความโง่ความไม่รู้ตามความเป็นจริงในขันธะระยตนะ้ประการที่หก็คือนิสระนัตชาสยะอัธยาศัยในความสลัดออกมีปกติเห็นโทษในภพทั้งปวงเราท่านทั้งหลายเห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมเห็นโทษของกามปพบรูปปพบอรูปประพบไหม ถ้าเราคิดอย่างนี้นะว่าเอาเวทนาเนี่ยบางท่านไม่เคยเห็นโทษของเวทนานะแต่ถ้าบอกว่าถ้าเราท่านทั้งหลายจะต้องมีเวทนาตั้งอยู่ตลอดกลับในนรกภูมิเราจะเห็นโทษทันทีใช่ไหมเส้นสัตว์นรกบอกโอ้ยสัตว์นรกเราไม่เคยเห็นเคยเห็นสุนัขที่เรือนมั้ยที่มันเจ็บแทบตายนอนร้องทั้งคืนอันนั้นะสุขของทุก ข, ของสุนัขที่เรือนเนี่ะ เทียบไม่ได้สักพันสักร้อยสักโกรธส่วนของสัตว์นรกที่ทุกนะสุนัขที่มันมีโรคเรื้อนเนี่ยเรื้อนขี่เรื้อนกินทั้งตัวเลยนะสมัยโบราณเขาเรียกหมอก็เอยเขาเรียกหมากะทิเป็นกะทิ เ, ะท เ, เต็มไปหมดเลยมันก็ร้องยิงยิงยิทั้งคืนเนี่ยนนั่นแหละทุกที่มันได้รับไม่เท่ากับเทียบไม่ได้กับทุกในในรก ในนรกมากกว่านั้นฉันตเวทนาของท่านทั้งหลายธอมนัสเวทนาทุกเวทนาทั้งหลายจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดเป็นกับกับแล้วท่านจะทําอย่างนั้นนั่นแหละคือโทษของภพหรือย่อนยานมาหน่อยก็คือว่าทกของอบัยศัตร์เกี่ยวกันในเรื่องของสัตว์เดรัจฉานหรือทุกในการเกิดเป็นเปรตก็ยังยกยกตัวอย่างบอกว่ากรรมเนี่ยเอากรรมที่ทำเนี่ยนะ กรรมที่ทำอย่างเดียวกันเนะี่ยให้ผลไม่เท่ากันอายกตัวอย่างนะั้นว่าคนหนึ่งฆ่าสัตว์ใช่ไหมเป็นผู้ฆ่าสัตว์ด้วยฉันทะด้วยความพอใจอย่างแรงกล้าอีกคนหนึ่งฆ่าสัตว์เพราะถูกบังคับเชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันวัตถุเดียวกันเนี่ยส่วนอีกคนหนึ่งไม่ห้ามไม่ห้ามเห็นดีด้วยที่เขาฆ่า ในสามคนเนี่ยคนแรกที youth, ่ฆ่าด้วยความจงใจด้วยความพอใจด้วยความหนำใจนั้นจะไปเกิดเป็นสันนรกคนที่สองถูกบังคับด้ถูกบังคับให้ฆ่าเขาถูกบังคับแล้วก็จําใจต้องฆ่านั้นจะไปเกิดเป็นสันเดฉานคนที่สามไม่พอใจเขาเนี่ยยินดีที่เขาฆ่าไม่ห้ามเขาเนี่ยจะไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมทั้งๆที่วัตถุชิ้นเดียวกันเนี่ยกรรมก็แตกให้ผลที่แตกต่างกันท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังธรรมกันเนี่ยกรรมเนี่ยต่างกันคนละยอดเลย มาแล้วแต่ขั้นทั้งหลายที่จะประชุมวิธีคิดที่แตกต่างกันนะว่าตอนเนี้ฉันทาวิริยะจิตตวิมังษานะี่ยมั่นคงในกุกศลจิตของท่านแค่ไหนะฉันทะแรงก้าในการฟังไหมวิริยะมีใจที่ฝักใยอย่างรุนแรงไหมในการฟังจิตตะจดจ่อในการฟังหรือไม่วิมังษาปัญญาไตร่ตรองไข้ควรคพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้นท้ามกลางและที่สุดได้อย่างชัดเจนไหมไม่วกแวกวัแววเลยเป็นต้นเหล่านี้ไหมถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมกุศลก็แรง บางท่านก็ออกฟังแบบจ ำ, จำใจฟังไปงี้ยไม่ได้ตั้งใจมาฟังโดยเฉพาะเนี่ยตั้งใจมาประเด็นอื่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมกุศลมันก็ไปอีกมุมหนึง่งส่วนอีกมุมหนึง่งเขาจะฟังก็ฟังไปไม่ห้ามอยากฟังฟังไปก็ไม่ใส่ใจอะไรต่างเห็นไหมกรรมมันก็จะให้ผลที่หลากหลายกันแตกต่างกันนี่ก็เรื่องกุศลกรรมอากุศลกรรมก็ให้ผลแตกต่างแม้กุศลกรรมก็ให้ผลแตกต่างเราท่านทั้งหลายไม่มีใครทําให้เราเลยนะ กระแสะขันธ์ธาตยตนะของเราที่เราได้รับทั้งหลายจะเป็นเจตนากรรมในอดีตเราเป็นผู้กระทําเองเนะีเป็นผู้ปรุงแต่งเองนะีและเจตนากรรมที่เป็นไปในปัจจุบันตพบนั้นก็จะให้กระแสะขันธาตอายตนะของเราในอนาคตตพใช่ไม่ใช่อดีตเหตุเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุก็เป็นปัจจัยแก่อนาคตตะผลเราท่านทั้งหลายก็สร้างเหตุปัจจัยใช่ไหมฉะนั้นนิสตระนัตชาสยะเนี่ยอัตยาใยของพระโพธิสัตว์ท่านสลัดออกจากภพ ท่านเห็นพบประดุจทางไฟไหม้เฮ้เราจะเห็นได้ยังไงว่าเหมือนกับไฟไหม้ใช่ไหมเราจะเห็นได้ยังไงไฟสิบเอ็ดกองอ่ะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือชาติชร า, ชาพยาธิสโสกัดปิเทวะทุกขโทมนานัสสะเลวบายาตไฟสิบเอดกองเนี่ยเผารน่นกระแสขันของทาไดายนะของสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแม้เราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้อาจจะสงบไฟได้นะ เช่นตอนนี้ราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดเพราะเป็นไปกับกุศลแต่ไฟคือชาติคือการเกิดยังเผาอยู่นะไฟคือชราคือแก่ตอนนี้มันเผาทุกอนูนนเนี่ยไฟคือพยาธิมันก็แซมซึมอยู่ทุกขุมขนทุกอ น, ทกอนูทุกอวัยวะไฟคือมรณะมันกำลังจะไปถึงมรณะอยู่แล้ว ไฟคือความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจต่างๆมันเผาร้นอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายแต่พิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าไฟเผาอยู่ตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าพบไหนแต่เราจะเห็นโทษของไฟเผาหรือไม่ก็อยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่การอบรมหรือที่การสั่งสมอัตยาศัยใช่ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ประกอบไปด้วยอธัธยาศัยอีกสิประการนะทา นัชชายะอัจฉริยใสในฐานสีรัชชายะอัจฉริยใสในศีลเนคขมัตชายาอัจฉริยใสในเนคขมะยถาภูตะยานัชชายะอัจฉริยใสในการรู้เห็นตามความเป็นจริงคือปัญญานี่นะวิริยัชายาอัจฉริยใสในวิริยะขันติชายะก็คืออัจฉริยใสในขันติธรรมสัจจะจัดชายาอัจฉริยใสในสัจจะอธิษฐานนัชชายะคืออัจฉริยใสที่ตั้งมั่นอย่างมั่นคง เมตตาชาสยะก็คืออธัธยาศัยมีเมตตามากแล้วก็อุเปกขาชาสยะอัธยาศัยในความเป็นกลางพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นนะบอกว่าอัธยาศัยทั้งหลายมีทานัชชาสายะเป็นต้นเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานเป็นต้นก็เหมือนอย่างอัธยาศัยทั้ง6เหล่านั้นเป็นปัจจัยเกี่บา ร, รมีธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นของพระโพธศาสัตว์ ท, ทั้งหลายผู้ประพฤติโพธิญาณโพธิญาณมีอยู่3าอย่างนะ สัมมาสัมโพธิญาณปจเจกโพธิญาณแล้วก็สาวกสาโพธิญาณท่านทั้งหลายก็ตั้งอัธยาศัยดูที่ว่าเราจะเป็นโพธิญาณประเภทไหนถ้าไม่ตั้งเลยท่านออกจากภพไม่ได้เอาที่ถ้าอยากจะอยู่ก็ได้ภพเนี้ยถามว่าถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกลองมานั่งคิดดูในในประเทศไทยอะ่ะน่าอยากมาไหมหน้าอยากมาไหมเอาอีกร้อยปีกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมถ้า อีกร้อยปีเกิดใหม่จะไม่เหลือแล้วมั้งใช่ไหมใช่เหลือก็วุ่นวายทั่วโรคก็จะเป็นอย่างเงี้ยสังคมก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะสภาพของกิเลสในใจของสัตว์มันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นทําไมยึงมากขึ้นท่านทั้งหลายรู้ไหมเพราะกิเลสนั่นเองเผารนกระแสใจของท่านทั้งหลายเต็มมือของกระแสสัตว์มากทั้งหลายฉนั้นเมื่อกระแสขันธทา่าอเยตนะของสัตว์ทั้งหลายถูกกิเลสคือราคะโทสะโมหะเผาอยู่ตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รู้ว่านี้ทุกก็ไม่รู้ว่านี้เหตุให้เกิดทุก ก็ไม่รู้ว่านี่ความดับทุกข์ก็ไม่รู้ข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์สัตว์ทั้งหลายก็วิ่งไปสิจะไม่วิ่งไปหาตาหูจมูกริ้นกายใจอารมณ์ตรงไหนที่น่าชอบใจก็วิ่งไปอารมณ์ที่ตรงไหนที่ไม่น่าชอบใจก็หนีสัตว์โลกทั้งหลายก็กระเสือกกระสนกันไปตามกิเลสที่เผารนในกมนลรสันดานของท่านทั้งหลายอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละคือสัตว์ตั้งในยุคปัจจุบันเนี่ยตัวกิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะมานาทิถิวิจีหิรกนรทจ มันก็รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เผารนกระแสะขันของธาตุอยายตนะของสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายใช่ไหมเราท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี้ลําบากถ้าจะมาเกิดในท้องของไทยถ้ามาเกิดในท้องของมิจฉาทิฏฐิมาเกิดในท้องของคนที่มีโรคภัยแข่เจ็บมากมาเกิดในร่องของคนขอวันนี้พกยาจกทั้งหลายใช่ไหมเมื ในที่สุดจริงๆเราก็วิบัติอีกเรามีปัญญาแข็งแรงพอไหมในการที่จะตั้งมนต์สิการในการที่จะคิดอย่างมั่นคงว่าเราจะตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยเราจะออกจากขันธธาตุอายตนะเป็นต้นเหล่านี้ยความตั้งมั่นในการจเจริญกุศลของเราท่านทั้งหลายก็อ่อนแอมากฉะนั้นว่าจิตใจของเรานั้นเป็นผู้ที่อ่อนแอในลักษณะอย่างนี้ก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายนี่ประเด็นต่อไปที่จะสรุปตอนเนี้เพราะเวลาถึงแล้วเนี่ยนี่ จะสะรุปให้เราท่านทั้งหลายก็คือว่าประเด็นต่อไปเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมกันในการที่จะถวายทานในการที่จะฟังภาษาไท ย, ายใช่ไหมจากพระมหาเถระจากประเทศพมา่าซึ่งท่านเป็นอดีตสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านเสด็จมาที่พอสโลเราท่านทั้งหลายตั้งใจยังไงให้เป็นทานตั้งใจยังไงให้เป็นศีล ตั้งใจยังไงให้เป็นภาวนาฝากให้คิดคำว่าทานเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนทานที่เราจะให้เนี่ยหนึ่งเจตนาก็เป็นทานสองอโลภะคือความไม่โลภ ก, ก็เป็นทานสามวิรติใช่ั้ยวิรตวิวิรติก็เป็นทานอเจตนาก็คือเจตนาก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้ เกตานานั้นต้องครบ3ประการนี่เขาเรียกเจตานานั้นบริบูรณ์ทีนี้กรณีที่เราจะสละจะบริจาคพระพุทธ ศ, ศาสดาที่เราจะถวายอดีตสมเด็จสังกัลราชให้ไปประดิสสถานอยู่ที่ประเทศเมียนมาหรือประเทศประม่าเนี่ยนะีการที่เราสละเนี่ยต้องสละประเภทที่ศรัทธาต้องเป็นประธานออโลภาต้องเป็นประธาน ก็คือมีตัดความโลภความยินดีความอะไรให้ได้แล้วก็น้อมสละให้เป็นทานนกุศลทีนี้การถวายพระพุทธรูปเนี่ยไม่ใช่แค่ทานถวายอะไรเราถวายพระรูปของพระผู้มีพระภาคเจ้าถามว่าพระรูปของพระพุทเจ้าเนี่ยประดับไปด้วยมหาปุริษระขนาะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ถวายไปนี่เพื่ออะไร ถวายไปนั้นเพื่อให้คนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดามีรูปกายเช่นนี้คำว่าเช่นนี้ก็คือว่าเขาจักได้เห็นกรรมที่พระบรมศาสดาที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่สั่งสมบา ร, รมีมายี่สิประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหมากับนั้นน่ะพระองค์บำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนขมัปัญญาบา ร, รมีเป็นต้น กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของพระ อ, องค์นั้นบริสุทธ์นะกายกายก็สุดจริตวจีก็สุดจริตมนโนก็สุดจริตพระ อ, องค์มาประพฤติประโยชน์เจริญกุศลมาเนี่ยพระ อ, องค์จึงได้รู ป, ปากายที่งดงามอย่างนี้ฉะนั้นจักได้ให้บุคคลได้ไปเพ่งไปพิจารณาไปดูรู ป, ปากายของพระพุทธรูปนี้แล้วได้พุทธคุณในกระแสะใจของท่านเหล่านั้น เมื่อท่านนั้นได้พุทธคุณในกระแสใจของท่านเหล่านั้นแล้วเนี่ยใจของท่านเหล่านั้นจะได้เกิดปลาโมดเหมือนเรากําลังเกิดเนี่ยจะได้เกิดปีติเกิดปสัสติที่เกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูดยานัศนะคือปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจะได้เป็นปัจจัยเกีการแทงตลอดขันธาตุอายตนะและพ้นจากวัฏฏทุก์ได้เราน้อมเหตุน้อมปัจจัยอันเนี้ยเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้มองพระรูปของพระเจ้าแล้วเกิดสัจทินรียอย่างมั่นคงยังไ แล้วในสื่อจริงๆจะได้เจริญพุทธคุณได้ถูกแล้วก็เข้าถึงคำสอนของพระบรมศาสดาพากันพ้นจากวัตรทุกจะได้ไม่เจ็บปวดในสังสารวัฏน้อมจิตในลักษณะนี้บุญกุศลมันชัดและอย่างหนึ่งก็คือว่าในขณะที่เราน้อมในการที่จะสละในการที่จะบูชาอะไรต่างๆเลยเนียให้น้อมในการบูชาอริยสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าน้อมถวายพระพุทธเจ้าและน้อมถวายอริยสงฆ์ ถ้าเราน้อมถวายในลักษณะนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ถวายตัวบุคคลกุศลนั้นถึงจกักรไพบูร์เขาใช่ไนี่เขาเรียกว่าเราศึกษาคําสอนของพระเจ้าแล้วต้องชัดเจนในการที่จะน้อมบุญน้อมกุศลให้เกิดขึ้นในกมูลละขันของเราท่านทั้งหลายถ้าเราพิจารณาในลักษณะนี้จิตของเรานั้นจะเป็นไปเพื่อความอิสระด้วย แล้วก็เป็นไปเพื่อความ ป, าปราบ ป, ปื้มปีติปัสท t i และค ว, วามสุขสมาธิก็จะตั้งมั่นที่เกิดขึ้นจากการสละเกิดการจากการบริจาคเกิดจากการให้ฉะนั้นถ้าเราน้อมจิตถูกน้อมเป็นอย่างนี้นะจิตของเราก็จะตั้งมั่นในการให้หรือแม้นที่ท่านเจ้าเขาจะทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเลยนี้แล้วก็น้อมลึกและในขณะเดียวกันก็คือว่ากุศลศีลต้องชัดเพราะอะไรเพราะ ทานของบุคคลผู้มีศีลเนี่ยเป็นทานที่บริบูรณ์เป็นทานที่บริบบรสุทธิ์แต่ถ้าทานของคนที่ทุศีลเป็นทานที่ไม่บริบูรณ์ไม่บริสุทธิ์นะเราก็สมาทานศีลตั้งมั่นในศีลคำว่าสมาทานศีลเนี่ยแค่คิดในใจก็เป็นแล้วนะแต่เราต้องเข้าใจศีลนะเปล่งวาจาออกมาก็เปล่งก็เป็นนี่ฮนะหรือจะขอสมาทานกับใครก็เป็นแต่ขอให้มีความเข้าใจในกุศลศีล น, นั้นให้ชัดเจนแล้วีอย่างหนึ่งก็คือว่า ต้องมีปัญญาในการที่จะความเข้ารู้ความเข้าใจอะไรต่างๆนี้ก็สมควรแก่วเวลานะก็ขอให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในการที่จะบุญเป็นกุศลกันต่อไปในช่วงเวลาที่เหลือประมาณประมาณ40่สิบนาทีประมาณประมาณ50าสิบนาทีเนี่ยนะก็ขอให้บุญกุศลของเราทั้งหลายที่ตั้งใจกันเนี่ยนะแล้วก็จะตั้งใจทํำณวันนี้ก็ในภาคบ่ายที่จะมีการฟังวิธรรมแล้วก็จะเจริญพุทธคุณกันอย่างต่อเนื่อง ก็ให้ถือว่าในบรรยากาศนี้เราจเจริญพุทธคุณเป็นอารมณ์เพราะเราถวายพระบรมศาสดาเพื่อให้ไปบดีสถานที่ประเทศพม่าจะได้เป็นพุ้ทานนุสติให้กับประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เกิดสัตทินรีย์คือตั้งมัน่นในศรัทธาเมื่อเขาเหล่านั้นมีศรัทธาเป็นประธานมีเจตนามีปัญญาเป็นประธานแล้วตัวศรัทธาตัวเจตนาและตัวปัญญานั้นจะเป็นปัจจัยเกิดปลาโมดในกระแสจิตของเขา แล้จะเป็นปัจจัยแก่ปีตีประสิทธิความสุขสมาธิแล้วก็ปัญญาก็เขาจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงเราท่านทั้งหลายก็จักได้อ น, นิสงส์จากการที่น้อมถวายร่วมกันก็ถือว่าทุกท่านนะเป็นเจ้าของร่วมกันหมดเลยนะให้ตั้งใจในลักษณะนั้นบุญเกิดมากหรือน้อยอยู่ที่คนมนุษย์การและตั้งใจอย่างที่ได้บอกไปแล้วเอานี้คสมควรแก่เวลานะก็ใช้เวล า, าพอสมควร